กับเราเช่นพัฒนาเรื่องราบยศสรรเสริญพัฒนาเรื่องของความสุขทางตาหูจมูกร่างกายจึงปล่อยให้จึงปล่อยปล่าละเลยไม่สนใจดูแลรักษาพัฒนาใจที่ที่ให้ความเลเลที่ให้ความประเสริ ที่ให้ความสุขกับเราอย่างถาวรชีวิตของเราจึงมีแต่ความทุกข์มีแต่ความวุ่นวายใจมีแต่ความเดือดร้อนใจไม่ว่างเว้นมีอยู่แทบทุกเวลานาทีก็เพราะว่าเราไม่ได้ดูแลรักษาใจทุกเวลานาทีนั่นเอง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 มีการเจริญและมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาเช่นอาณาจักรต่างๆในอดีตที่ผ่านมากรุงสุขโขทยัยกรุงศรีอยุธยาที่เคยรุง่งเรืองแต่ปัจจุบันนี้ก็เป็นซากปรักหักพังไปอันนี้เป็นตัวอย่างของการพัฒนา ในสิ่งที่ไม่จรังถ้าวรไม่สามารถให้ความสุขกับผู้พัฒนาได้อย่างถาวรแในการพัฒนาจิตใจนี้จะทำให้ผู้พัฒนาได้รับความสุขอย่างท้าวรได้รับความเจริญอย่างท้าวรเช่นใจของพระพุทธเจ้า ของพระอาหารหังตสาวกทั้งหลายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนพัฒนาถึงขั้นสูงสุดก็ไม่มีวันเสื่อมแม้จะสรีละของพระองค์จะเสื่อมสลายหมดไปแล้วถึงสองพันห้าร้อยกว่าปีแต่พระทัยของพระพุทธเจ้า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 เสพสุรายาเมาโกหกหลอกลวงได้อบายามุกต่างๆเช่นการเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนพบคนชั่วเป็นนิตรมีความเกลียดคร้คานการกระทําเหล่านี้เป็นการธนำที่จะนําความทุกข์มาให้แก่ผู้กระทําเราก็ต้องหลีกเลี่ยงการกระทําต่างๆเหล่านี้ แล้วก็มาต่อสู้กับความโลกความป่วยความหลงต่อสู้กับความอยากต่างๆเช่นอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผนตะเภาอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นที่เป็นเหตุที่จะทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา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 ก็อยากจะให้เกิดก็อยากจะได้สรรเสริญคิดถึงรูปเสียงกลิ่นลดผลตภะชนิดต่างๆก็จะทําให้เกิดความโลภอยากได้รูปเสียงกลิ่นลดผลตภะชนิดต่างๆมาเสพแต่ถ้าคาวบคุมความคิดไม่ให้คิดถึงลาบยศ ส, สัมพัสญไม่ให้คิดถึงรูปเสียงกลิ่นลดผลตภะได้ ความโลภความอยากได้รากยศสรรเสริญความอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสผลพภะก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาเช่นถ้าเราสามารถบริกรรมพุทโธพุทโธไปได้อย่างต่อเนื่องทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับโอกาสที่จะไปคิดถึงเรื่องรากยศสรรเสริญเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะก็จะไม่มี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 ความโลภความโกอธความหลง mm hmm. การจเจริญสตินี้ทําให้ใจมีความสงบเรียกว่าสมาธิเวลาใจสงบ mm hmm. ใจก็หยุดคิดปรุงแต่งไม่คิดถึงเรื่องราบยศสรรเสรไม่คิดถึงเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะชนิด ต, ต่างๆเวลานั้นใจก็จะมีความสงบมีความอิ่มมีความพอเพราะเวลานั้น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 คิดถึงรูปเสียงก ล, ลธธิ่นรสโผฏฐะพอกลับไปคิดถึงเรื่องเหล่านั้นก็จะเกิดความอยากขึ้นมาใหม่อย่างนั้นขั้นต่อไปหลังจากที่ได้สมาธิแล้วเวลาออกจากสมาธิก็มีการทําได้สองขั้นตอนด้วยกันจะกลับไปทําแบบขั้นตอนแรกก็คือบริกรรมพุทโธพุทโธต่อก็ได้ ก็เป็นการเจริญสติเพื่อควบคุมความคิดต่อไปแต่เป็นการเป็นการควบคุมความคิดที่ไม่ถาวรเวลาใดที่ไม่ควบคุมความคิดความคิดนั้นก็จะหวนกลับไปคิดในทางของความโลภของความอยากอีกถ้าอยากจะควบคุมความคิดหรือเปลี่ยนความคิดให้คิด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 ใจก็มีความวิตกกังวลกัง ว, วลก ว, วาากัสับกสายเพราะไม่แน่ใจว่าจะได้สิ่งที่อยากได้มาหรือไม่อันนี้ก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งแล้วทั้งๆ ท, ที่ยังไม่ได้อะไรเลยเพียงแต่อยากจะได้เท่า น, นั้นเช่นอยากจะได้ลาบอยากได้ยศอยากจะได้สรรเสริญ อยากจะได้รูปเสียงกลิ่นรสผลตภะเพราะเกิดความอยากขึ้นมาใจก็มีความกรวนกระวายกระสับกระส่ายเพราะไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่เพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นอนิจจังนั่นเองก็คือไม่แน่นอนไม่เที่ยงแท้ถ้าแน่นอนก็จะไม่มีความกระสับกระส่ายกวนกวายถ้าอยากจะได้อะไรแล้วได้ดังใจ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 ไม่แน่นอนกันแต่ความรู้นี้มันไม่มีกำลังมากพอที่จะหยุดความหลงที่ทำให้เกิดความอยากได้สิ่งต่างๆรู้ว่ามันไม่แน่นอนแต่ก็ยังไม่ยอมไม่ยอมหยุดความอยากยังอยากจะได้อยากจะได้ลากก็ยังรู้ว่าไม่แน่นอนเช่นคนที่รอแทงลอตเตอรี่วันหวยออก วันนั้นก็จะตะวนกระวายกร ะ, ะสับกระส่ายเพราะไม่รู้ว่าจะถูกหรือไม่ถูกแตงลอตเตอรี่แล้วจะถูกลอตเตอรี่หรือไม่ก็นั่งรอดูผลกันเวลานั้นใจก็กังวันกระวายกระสับกระสายพอได้มาแล้วก็มีความกังวลขึ้นอีกแบบหนึ่งว่าเงินที่ได้มานี้จะรักษาอยู่กับเรา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 เวลาที่อยากได้เร้ได้นี้มันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเช่นของบางอย่างเราอยากได้หลก็เราก็ได้ทันทีเช่นเราอยากจะซื้อกาแฟเรามีเงินเราไปซื้อมาก็ได้ทันทีเราก็ไม่มีความวกาังวลกวแต่ถ้าเราอยากจะไปซื้อ iPhone เครื่องใหม่เราก็ต้องไปยืนเข้าแถวเราก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่พอถึงคิวเรา p อโฟนนั่นก็อาจจะขายหมดแล้วก็ได้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 เวลานั้นก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเคยสั่งคนใกล้ชิดให้ทํางงทอย่างนั้นทําอย่างนี้เขาก็ทําตามทุกอย่างพอวันดีขึ้นดีเขาเกิดไม่ทําตามที่เราสั่งตอนนั้นก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมานี่คือปัญญาเราต้องพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจเรามาสัมผัสรับรู้ให้เห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้ได้แล้วใจของเราจะได้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 แต่ถ้าเราดับการอารมณ์ได้เราก็อยู่คนเดียวได้ไม่ต้องมาทุกข์กับคู่ครองไม่ต้องมาห่วงไม่ต้องมาห่วงไม่ต้องมาทะเลาะกันอันนี้เป็นการตัดการอารมณ์ต้องตัดด้วยการพิจารณาส่วนที่ไม่สวยงามที่เรียกว่าอสุภะหรือพิจารณาส่วนที่โสโคร ก, ป ก, ปก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 มองเขาเขาเป็นอนัตตาเราก็จะไม่มีการม่าหลมไม่มีความอยากที่จะอยู่กับเขาเราก็จะอยู่คนเดียวได้อย่างสบาย <ốc. S 1> การอยู่คนเดียวนี่แสนจะสบายถ้าใจไม่มีความอยากที่อยู่คนเดียวแล้วมีความทุกข์ก็เพราะความอยากนี่อยากอยู่กับคนนั้นอยากอยู่กับคนนี้อยากมีสิ่ง น, นั้นอยากมีสิ่ง น, นี้ พอไม่มีใจก็ไม่สบายใจก็หงุดหงิดแต่ถ้าควบคุมใจให้สงบได้หรือสอนใจด้วยปัญญาให้ตัดความอยากได้ความหงุดหงิดความไม่สบายใจต่างๆก็จะหายไปจะหมดไปแล้วจะอยู่กับความสงบจะพบกับความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้รับจากการอยู่กับผู้อื่น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 เป็นความทุกข์ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสิ่งของเป็นลาบยศสารเสนเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผลิพภัณฑ์พวกเราทุกวันนี้เราก็ทุกอยู่กับเรื่องเหล่านี้เท่านั้นเองไม่ได้ทุกกับเรื่องอะไรก็เพราะเราขาดปัญญาไม่มีปัญญาแล้วไม่มีสมาธิการที่จะมีปัญญาได้ต้องมีสมาธิก่อน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 มีความอยากก็ยังพอมีกำลังที่จะคิดไปในทางปัญญาได้เพราะใจไม่ได้หิวโหยถึงขนาดที่จะต้องทำตามคำสั่งของความอยากทันทีทันใดใจที่มีสมาธินี่เหมือนกับคนที่มีอาหารรองท้องอยู่แล้วแม้ว่าจะไม่ได้กินอาหารเพิ่มก็ยังพอทนอยู่ได้แต่คนที่ไม่มีสมาธินี่เหมือนกับคนที่ไม่มีอาหารรองท้องหิวโหย พออยากกินอะไรต้องคว้ามากเลยไม่คิดว่าจะเป็นยาพิษแล้วไม่เป็นยาพิษขอกกินมันใข้ามปก่อนพอกินเข้าไปแล้วถึงจะรู้ว่าเป็นยาพิษยา่ตอนนั้นมันก็สายเสียแล้วพอเห็นอะไรอยากได้ปั๊บก็คว้ามาเลยหรืย อ, อยาก ท, าทันทีพออยากปั๊บก็เกิดความทุกข์ขึ้นมา ท, าทันทีอันนี้แหละคือเรื่องของการดูแลใจพัฒนาใจ ต้องพัฒนาด้วยสติสตินี้เป็นธรรมที่สำคัญที่สุดของการพัฒนาเพราะถ้าไม่มีสมาธิไม่มีสติใจก็จะไม่สงบเมื่อใจไม่สงบเนี้ยก็จะไม่มีกําลังที่จะพิจารณาทางปัญญาเพื่อที่จะดับความอยากต่างๆได้ดึง้ต้องพยายามเจริญสติกันให้มากๆา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 ทำภารกิจไวไต่างๆที่ไม่ต้องใช้ความคิดก็บริการพุโทโธได้แต่ถ้าต้องทําธุระอะไรที่ต้องใช้ความคิดตอนนั้นก็หยุดบริการพุโทโธไปชั่วคราวแต่ก็ต้องระมัดระวังอย่าไปทําธุระที่ไม่จําเป็นอย่าต้องทําอย่าไปทําธุระของกิเลสตัณหาคือความอยากเช่นธุระเตรียมตัวจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่จะไปซื้อของฟุ่มเฟือยที่นั่นที่นี่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 เวลากลับมาจากการบินบาทจัดอาหารใส่บาทก็บริกรรมพุทโธพุทโธได้เพราะไม่ต้องใช้ความคิดมาดังนั้นตั้งควบคุมความคิดให้ได้อย่าปล่อยให้คิดไปในทางความอยากความโลภต่างๆแล้วใจก็จะว่างใจก็จะเยน็นพอเวลานั่งสมาธิใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้อย่างง่ายได้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 การติดสมาธินี้หมายถึงว่ามีความชำนาญในสมาธิแล้วแต่ไม่ออกไปทางปัญญาออกจากสมาธิมาก็มาเจริญสติบริกรรมพุทธโธอย่างเดียวต่อไปอย่างนี้เรียกว่าติดสมาธิถ้ามีความชำนาญแล้วสามารถเข้าสมาธิได้อย่างง่ายได้แล้วทีนี้ก็ไปทางปัญญาไนดะ้ไม่ต้องกลัวว่าจะกลับเข้าสมาธิไม่ได้เพราะเรามีความชนานาญเรารู้จัก วิธีเข้าแล้วไม่ต้องบริกรรมพุโทโธก็ได้ถ้าชำนานแล้วเพียงแต่กำหนดจิตให้หยุดคิดมันก็งสงบแล้วถ้าได้สมาธิแบบนั้นแล้วทีนี้ก็ต้องบังทับให้ออกทางปัญญาแล้วต้องไปพิจารณาราบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสปวพระว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาร่างกายเวทนาว่าเป็น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 เข้าใจปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดมาแล้วจิตก็จะไม่มีความทุกข์กับสิ่งต่างๆที่จิตมารับรู้มาเกี่ยวข้องด้วยจิตก็จะไม่มีความทุกข์จิตก็จะมีแต่ความสุขไปตลอดจะมีแต่ปรลมังสุขขังไปอย่างไม่มีหวันชื่นสุขอันนี้แหละคือผลที่จะได้รับจากการพัฒนาจิตใจคือปรมังสุขขัง ความสุขที่ยิ่งใหญ่ความสุขที่ถาวรความสุขที่ไม่มีความทุกข์เข้ามาผสมปนปนอยู่ด้วยเป็นความสุขที่บ่อยสุดไม่เหมือนกับความสุขทางลาบยศสรรเสริญทางตาหูจมู ก, กลิ้นกายที่มีความทุกข์มามาผสมอยู่เสมอสุขต้นแต่ทุกปลายเวลาได้มาก็ดีใจ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 ที่ไม่จําเป็นจะต้องดืง่มไม่จําเป็นจะต้องรับประทานสั่งให้ไปซื้อของฟุม่มเฟือยต่างๆที่ไม่จําเป็นจะต้องมีต้องตัดภารกิจเหล่านี้ไปเพื่อเราจะได้มีเวลามาบําเพ็ญกันมาศึกษามาปฏิบัติธรรมกันเพราะว่าถ้าเราไม่จัดการกับเวลาของเราใหม่เราก็จะไม่มีเวลาที่จะมาศึกษามาปฏิบัติธรรม หรือมีก็มีน้อยมากมีอย่างที่มีอยู่เท่าที่มีอยู่นี้เท่านั้นเองจะไม่สามารถมีเพิ่มมากไปกว่า น, นี้ได้ถ้าเราไม่มาบริหารจัดการเวลาของเราใหม่เราต้องถามแล้วว่ากิจกรรมันนี้จำเป็นหรือไม่ไม่จำเป็นตัดทิ้งไปอันนี้จำเป็นหรือไม่ไม่จำเป็นตัดทิ้งไปอันนี้จำเป็นเก็บเอาไว้ก่อนต้องทาอย่างนี้ต้องมาเช็ครายการเลยวันหนึ่งเรามียี่บสี่ชั่วโมงเรา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 แล้วพมเกิดผลขึ้นมามากก็จะเกิดศรัทธามีเกิดฉันทักะวิริยะเกิดความยินดีเกิดความอุตสาหะความขยันที่จะปฏิบัติให้เพิ่มมากขึ้นแล้วในที่สุดก็จะปรับรูปแบบของการกินอยู่ใหม่ปรับรูปแบบของการทำมาหากินใหม่เช่นเป็นคารวาก็มาเป็นพระเสียอันนี้ก็เป็นการปรับรูปแบบของการทำมาหากินใหม่ อยากที่จะต้องไปทามาหากินทำงานต่างๆก็มาบวชแล้วก็มาทามาหากินแบบพระทีนี้ก็จะมีเวลาที่ปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ถ้ามีเวลาอย่างนี้และปฏิบัติอย่างเต็มที่อย่างนี้ก็จะได้ผลอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพยากรณ์ไว้ว่าไม่เกินเจปีเป็นอย่างมากแต่ถ้ามีความสามารถมากมีมีปัญญามีความรู้ความฉลาดมาก มีความขยันมากมีกิเลสน้อยมีอุปสรรคน้อยมีสิ่งคอยกีดขวางน้อยเจ็ดวันก็สามารถบรรลุดได้อันนี้อยู่ที่ตัวเราที่เราจะต้องบริหารจัดการเวลาของเราอย่าให้กิเลสตัณหาเอาเวลาของเราไปหมดถ้าเราไม่จัดการเราปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นนิสัยทำอะไรแล้วมันก็จะติด น, นิสัย ถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนนิสัยเราก็ต้องใช้เหตุผลเข้ามาใช้เหตุผลว่าทำอันรรนี้แล้วเกิดคุณหรือเกิดโทษเกิดโทษก็อย่าทำมันเกิดโทษกับจิตใจเกิดคุณกับกิเลสนี้อย่าไปทำาเราทำกิจกรรมที่เกิดคุณกับใจแล้วเกิดโทษกับกิเลสอย่างนี้ถึงจะทำถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็จะมีเวลาที่เราจะได้เอามาปฏิบัติ เอามาเจราในายใจของเราให้กลายเป็นเพชรน้ำหนึ่งขึ้นมาให้บรรลุมรรคผลนิพพานใ น, นผู้ที่บรรลุมรรคผลนิพพานเขาก็ทำอย่างนี้กันทั้งนั้นเขาก็เป็นเหมือนเรามาก่อนเขาก็มีภารกิจมีอะไรต่างๆเหมือนเราทุกอย่างแต่เขามีศรัทธาความเชื่อมีความปรารถนาอยากได้มรรคผลนิพพานเขาจึงต้องบังคับตัวของเขาเองให้มาพิจารณา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 เราก็จะได้ผลเช่นเดียวกับเขาอย่างแน่นอนการแสดงก็เห็นว่าสมควรแต่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ทําใจได้นะทำใจได้แล้วแผลไม่ค่อยเป็นล่นะแต่ว่าปฏิบัติไม่ดีเท่าช่วงเป็นแผลช่วงเป็นแผล ช, ชัดปฏิบัติดีกว่าจนะได้ <c oughs> ทําันทบ้านมาไม่พอไม่พอจ้ะ มันเม่อ <coach> ก <Savior> ีฟ <Liverpool> um <schöne> ังท mm. ่านอาจารย์ยังนึกว่าแค่สงตาทำกรดแค่จิตไปจดจ่อเรื่องเดียวยังกลับมาสมาธิลาบากลูกทนทุกเรื่องแล้วเรายังกีรเล็กมากมายิงกลับยากอย่แต่ว่าลูกก็สงสัยเจ้าพระนอาจารย์ว่าถ้าถ้าไปทำกรดเนี่ยจิตไปจดจ่อกับเรื่องการ ทำกดการวิธีทํากดมันก็เหมือนทํางานเฉยๆทีนี้พอเลิกจากการคิดเรื่องทํางานแล้วกลับมาเอนัทําไมถึงสมาธิกลับมาไม่ไไม่เลิกคิดตัวมันยังคิดอยู่ยังคิดถึงเรื่องงานเรื่องการอยู่อยากไม่เสร็จคือถ้าไม่มีความอยากถ้าทาด้วยสติมันทำทำโดยการพุทโธไปทําไปมันก็ไม่เป็นปัญหา แต่ท่านไม่ได้ไม่ได้บ่นคำพูดโทษท่านทำไปแล้วก็มีความอยากให้มันดีอยากให้มันเสร็จให้สวยอะไร่างเงีก็เลยไม่ได้ไม่ได้ควบคุมใจให้ให้ทำเฉยๆให้ทําด้วยสติแต่ทําด้วยความอยากทํำด้วยกิเลสแต่ถ้าเรามองมันด้วยด้วยสมองเฉยๆว่าเออเราจะทําวิธีไหนแต่ว่าไม่อยากก็ได้แต่ที่ด้วยเหตุด้วยผมก็ได้เวลา ไม่ต้องใช้ความคิดก็หยุดคิดแล้วก็ใช้พุโทโธไปทำไปแต่มันไม่มพมันไม่มีพุโทโธมาแทรกเลยมันมีแต่ความคิดแต่เรื่องงานอยู่ตลอดยมังก็ เ, ม, กเมันก็เลยเหมือนรถวิ่งลงเขาไม่ไม่แตะเบรคพอถึงเข้าทางโค้งก็หักเข้าไม่ได้ความคิดเราเป็นเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนรถวิ่งลงเขา พุทโธก็เหมือนการแตะเบ่งถ้าเรามีการพุทโธบ้างความเร็วของความคิดเรามันก็จะช้าลงน้อยลงแต่ถ้าเราไม่มีพุทโธเลยมันก็ยิ่งคิดมันก็ยิ่งคิดใหญ่มันก็วิ่งเหมือนคันรถวิ่งวิ่งลงเขาก็ยิ่งวิ่งเร็วใหญ่พอจะเบรกเวลาจะเข้าเบรกก็หยุดเบรกไม่อยู่เวลาจะมานั่งสมาธิมันก็ไม่หยุด ว่าเราไม่ค่อยแตะเบรกไว้เรื่อยๆอย่างวิ่งลงเขาเนี่ยเราไม่แตะเบรกด้วยเลยพอไปถึงตรงวงเวียนจะเลี้ยวขวานี่เลี้ยว ไ, ไ, ไม่ได้เบรกไม่ได้ลงเขาไม่ไดเหมือนจะพุ่งตรงไปเลยแต่ถ้าเราทํางานเราก็คิดเรื่องงานพอไม่มีเรื่องงานจะต้องคิดแล้วก็พุโทโธพุทโธไป ่เด็กไว้เรื่อยๆมันก็ทำให้ความคิดมันอยู่ในกรอบไม่คิดมากจนเกินไปแต่ส่วนใหญ่พอทำอไร้แล้วนี่มันจะผูกพันกันคิดกันต่อเนื่องเป็นเหมือนดึงลิงที่มันโหนห้อยกิ่งมาจับกิ่งนั่นก็ไปต่อกิ่งนี้กิ่งนั่นก็ต่อไปไปเรื่อยๆมันมีเรื่องให้ต่ออยู่เรื่อยๆ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 มันนั่งไปเท่าไหร่มันก็ไม่สงบเพราะยังต่อสู้กันฝ่ายหนึ่งดึงออกฝ่ายหนึ่งดึงเข้าพุทโธดึงเข้าความคิดตันหาความอยากดึงออกมันก็เลยไม่ไม่สงบถ้าพุโทโธไม่ชนะความคิดมันก็สงบไม่ได้พุโทโธมันถึงสําคัญสติถึงสำคัญน เวลาไม่สบายก็ทำบุญคิดว่าทำบุญแล้วจะหายจากไม่สบายคนที่เขาทำไม่สบายก็ไปหาหมอหายกันเยอะแยะก็ไม่ได้ทำบุญเลยขนาดพระไม่สบายยังต้องไปหาหมอ อไม่ดูเหตุดูผลกันเลยเอาความเชื่อเชื่ออะไรก็เอาไปอย่างนั้นความอยากอยากให้หายมันหายไม่หายมันไม่อยู่ที่ทําไม่ทํำหรอก็โลกมันก็เป็นแข่งกันอ่ะบางโลกมันไม่ทําอะไรมันก็หายได้เป็นแล้วก็หายได้บางโลกทําแล้วรักษาถึงจะหายถ้าไม่รักษาก็ไม่หาย มันโรคลักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายมันอยู่ที่เรื่องของโลคมันเรื่องของร่างกายเรื่องของทําบุญมันเรื่องของจิตใจทําบุญนี้เป็นการรักษาใจทําใจให้สบายเช่ในใกล้จะตายก็มีสมบัติเยอะบ่อยจากไปทําบุญไปมันก็รู้สึกเบาอกเบาใจไม่ต้องมาห่วงไม่ต้องมาห่วงสมบัติชิ้นนี้มันก็สบายใจ ถ้ายังไม่ได้ทำบุญมันก็ยังคิดอยู่นั่นตายไปใครจะเอาไปใครจะไปเ่มอคื่าเพื่อนเขาจะไปอินเดียเขาไม่ค่อยอยากไปเขาเขาก็ไม่แน่ใจว่าจะไปดีไม่ดีเขาก็เลยทำฉลากสองอันแล้วก็บวกจริงที่แน่หนาเสมอเขาคาดพิถานว่าถ้ามันออกมาไปไฟอะไอย่งเี้ยนั่นายคาว่ า, อ, า อ, ออกมาไฟเขานมีใจใหญ่ต่งหวังอยู่แล้วว่าจะได้ไปอ่า ก็หลงตัง้งแตเลยนไม่ถูก่อนก่อนได้คุยกับเพือ่อนที่เป็นคริสเตียนอะอย่างเงี้ยเขาพูดถึงเรื่องเขาเป็นจริงจริงเขาเป็นพุทธมาตั้งเด็กเด็กแล้วมาเปลี่ยนเขาบอกว่าที่ก็ไม่เป็นพุทธเพราะว่าเขาไปเจอพระไม่ดีอย่างหนึ่งแลว้วก็ความเชื่อที่ไม่แบบไม่ไรเหตุผลที่ให้เชื่ออย่างที่ท่านจำพูด่ว่าทำให้เขาไม่มีศรัทธาอืมแล้วความเชื่อของชาวพุทธเรื่องที่แบบอย่างที่ท่านจำเรียนนว่า ทำบุญเมื่อกี้มจะใหญ่าป่วยถนอน่นเอชาเพื่อเราส่วนใหญ่ห่างไกลจากคำสอนมากกว่เช uh> ื่อกันมาตามตามสอนกันมาแบบผิดผิดก็เลยเชื่อกันไปของผิดเลยกลายเป็นของถูกไปของถูกเลยกลายเป็นของผิดไปอันนี้ถึงบางทีมาแก้ยากแก้ความเชื่อที Other ่ผิดนี่ยากไม่จ้าที่ตี การทำแท้งเลยก็ก็ทำลายสิ่งที่มีชีวิตใช่ไหมก็เป็นก็รที่อ้ะกเป็นที่่ก็จะมีฝกระทบกเ้อใช่จต้องทแท้งานีบปเนาะก็บาเหมือนกันเน่ยเพราะว่าเป็นการทำลายชีวิตเหมือนกัน ที่เขาทำแทงนี่เข้าใจว่าเป็นพิษเนีย่ยไมที่เป็นพิษที่เป็นพิษก็ทำแทงไปเนี่ยคิดว่าคงว่าพิษการที่เป็นคันเป็นพิษอาจจะกระทบถึงตัวเองเ ห, รอหรืออะไรต่างๆคือว่าทำทำเพื่อรักษาชีวิตของตัวเองก็บาปเห <c oughs> มือนกันนะก็เหมือนฆ่าคนอื่น <c oughs> เพื่อรักษาชีวิตตัวเราเองมันก็ยังบาปอยู่ บางห่วนคือรู้กับบางส่วนใส่ว่าท่านทเจตนาแต่ไม่เจตนามันก็ต้องมีเจตนาแหะถึงจะทํำของใช่ไหมแต่ว่าเหตุที่ทําให้มีเจตนานั่นมันเป็นเหตุที่เอคนเราไปยิงนกตกปลาก็เพื่อจะรักษาชีวิตเราเหมือนกันไม่ใหละถ้าเราไม่มีไม่มีอาหารกินเราก็จะตายเราก็ไปยิงนกตกปลาเพื่อมากิน อันนี้ก็เหมือนกันเราฆ่าสิ่งที่อยู่ในท้องเราเพื่อจะได้เราจะได้ไม่ตายมันก็แบบเดียวกันแต่ถ้าฆ่าเชื้อโลกนี้ไม่ถือว่าเป็นการฆ่านะเพราะก็ไม่ถือว่าเ ช, ชื้อโลกนี้เหมือนเป็นสิ่งที่มีชีวิตเหมือนกับร่างกายเหมือนกับเด็กที่อยู่ในท้อง ชื้อโลกนี้เขาคิดว่ามันเป็นเหมือนต้นไม้เป็นแบบสิ่งที่มีชีวิตแต่ไม่มีวิญญาณคิดดูถ้ามันมีวิญญาณแสดงว่าในตัวเรานี่มีวิญญาณเนกับเราเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นสิ่งที่มีชีวิตแต่ไม่มีวิญญาณเช่นต้นไม้ใบหญ้าในสมัยก่อนนี้คนไม่รู้บางคนไม่รู้เขาคิดว่าต้นไม้ใบหญ้ามีชีวิตเหมือนคน นนเวลาพระไปเด็ดใบไม้ก็หาว่าพระเป็นฆ่าสิ่งที่มีชีวิตยังมีพิธีที่ต้องให้ยังมีข้อห้ามให้พระตัดไม้ตัดติ่งไม้ตัดต้นไม้ mm hmm. เพราะว่าชาวบ้านเขาเชื่อว่าเป็นการทําลายชีวิตเป็นการฆ่านักบวชก็ถือศีลไม่ให้ฆ่ายังถ้าไปตัดใบไม้แต่ไปตัดต้นไม้นี่ก็ถือว่าไปฆ่าทําผิดศีล พระเลยห้ามพระพุทธญาณเลยห้ามไม้พระตัดต้นไม้ตัดกิ่งไม้เวลาจะทำจำเป็นจะต้องทำก็ให้พูดเป็นกัปปิยะวาจาบอกให้แก่ศรัทธายาติโงแต่สั่งไม่ได้สั่งให้เขาทำก็บาปเหมือนกันทำเองก็บาปเหมือนกันแต่ถ้าพูดเป็นกัปปิยะวาจาเช่นพูดออกอุบายว่ า, าต้นไม้ต้นนี้มันมีปัญหานะต่อไป ถ้าลูกศิษย์ลูกขาฟังแล้วเข้าใจก็จะอาสาเป็นคนตัดให้ทําให้ดื้อของเขียวที่ยังไม่ตายที่เอามาทําเป็นอาหารเช่นพริกมีเมล็ดอยู่อย่างนี้ <Okay. S 1> พวกผลไ ม, ม้ส้มมีเมล็ดอย่านี้เมล็ดนี้มันยังเป็นสิ่งที่ก็ถือว่ามีชีวิตอยู่เพราะถ้าเอาไปปลูกมันก็ยังขึ้นได้เน้น mm hmm. ถ้าเกิดพระฉันเอาไปเคี่ยวไปฉันไปเคี่ยวถูกเมล็ด ทำให้มเมล็ดนั้นตายไปแตกไปก็ถือว่าทำบาปดังนั้นเวลาถวายของที่มีของเกี่ยวของที่ยังขึ้นได้เขาจึงต้องทำพิธีกัปยะเทียนพระถามว่ากัปยังกรโ oh รฮิหมายความว่าทำให้สมควรแก่การบริโภคหรืออย่างญาติโยมก็เอามีดมาตัดหรือเอาเด็ดหักใบไม้หรืออะไรสักอย่างชเช่นพวกผักก็หักมันสหน่อย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 อะไพวกผลไม้ถวายพระเราจะหั่นออกเป็นชิ้นๆเอาเม็ดออกให้หมดเนี่ยคนเราก็ไม่รู้เขาคิดว่าพระขี้เกียจบ้างเลยต้องให้ให้โยมโยมทำให้ทหุกอย่างจะได้กินง่ายๆ <laughs> แต่ความจริงก็เพื่อที่จะกลับทำกับปียะไปในตัวตทางสายพระป่าท่านว่าไม่ทงนี้แล้วคนไม่เข้าใจไม่รู้ ก็เลยให้ทําต่อหน้ากันเลยเลวลาเอาของมาถวายาก็ให้ทําต่อหน้าถามกันต่อหน้าว่าอากับเปียงกัโรหิทากับปิยะหรืยอยังญาติโยมก็เอามีดมาฟันหรือเอามือหักต้นไม้ไอ้ใบอะไรผักเผือกอะไรที่มันยังขึ้นหน้าเช่นผักเชียะไนี่ก็หักคนท่าหน่อยแล้วว่ากับปิยะพันเตผลไม้ ก, ก็ปอกเปลือกสักหน่อยก็ได้ส้มก็ปอกเปลือกมาท่านหน่อย แล้วก็กะเพราะพันเตในทํากะเพราะแล้วฉันได้แล้วตายแล้วรูเ้เองเลเป็นของตายแล้ววิธีทําก็ถูนั้นมันเยอะเราก็เอามาให้มันติดติดกันแล้วเราก็ทําอันเดียวแต่อย่ายกออกมาเป็นเอกเทศให้มันอยู่ติดกันแล้วทํามันแือว่าทําเป็นกลุ่มไปที่เดียวแต่ถ้ายกออกมาเป็นเอกเทศชิ้นเดียวแสดงว่าทําชิ้นเดียวเพราะพวกนั้นยังไม่ได้เราเลยต้องให้วางติดกัน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 จากยาแล้วพวกสลัดครีมหรือว่าที่เขาเป็นมีไข่ขาวอะไรอย่างเงี outgoing, ้ยนัก็ไม่ได้เหมือนกันเลยดิอันนั้นก็ไม่รู <S, <S ้แหละเพราะมันสมายนั้นมันไม่มีบางอย่างก็อย่าไปฉลาดจนเกินไปนะจลาแล้วอดอย่าไปฉลาดอ่านโง่ใช่ไห ถ้าชาวบ้านเขาไม่ทัก <c oughs> เขาไม่ทวง <c oughs> ก็อย่าไปแสดงฉลาดแล้ <c oughs> <c oughs> ยังได้กินอะไรไม่ได้เลยไปเสีย์ฟครีมบางอย่างก็ไม่ใส่ไข่นะตรงนี้เป็นหรอทำแบบนี้บางคนส่วนให ญ, ญ่ก็ไปซื้อมาไม่รู้หรอกอะไรทํำองไรผมก็าทำไว้ก็ดีนะคนรุ่นหลังจะได้รู้เหตุรู้ผลว่าทำไมมีเหตุมาอย่างไง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 แตงแม่ไม่ไม่ผิดแต่สงสัยทำมันก็ผิดอ่างั้นอย่าไปสงสัยไม่รู้ไม่ <c oughs> ชี้ะบางอ น, นี้โยมซื้อมาก็ไม่รู้ว่าจะซื้อมาว่าทำไปยังไงใช <c oughs> ่เดี๋ยวก็เป็นเป็นปัญหาตั้งอยู่เง้ยกินกินตั้งไม่ได้ฉันก็ดี ครับมีโยมสงสัยว่าการถ่ายพยาธบาปไหมครับก็อย่างที่ว่าพยาธนี่ไม่รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือเปล่าหรือหรือมีวิญญาณหรือเปล่าที่ว่าส่วนใหญ่สิ่งที่อยู่ในร่างกายเรานี่มันไม่ได้เป็นสิ่งที่มีวิญญาณนี่พยาธินี่มันไม่ทราบว่ามันอยู่แบบพวกตัวนอนหรือเปล่าตัวนอนนี่มันมีวิญญาณไหมหรือไม่มีก็ไม่รู้ อัันนนนี้มมเมมกไ่าจารย์ครับขอขอพระอาจารย์เมตตาขยายความคําถามจากทางเฟซบุ๊กครับที่เขาถามว่าเขาจะไปทํางานกับบริษัทยักษ์ใหญ่แต่ว่าบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยเขาค่าสัตว์เพื่อทําธุรกิจนะครับก็แต่เขาไม่ได้ทําในแผนค่าหรือเลี้ยงแต่เป็นแผนกนิติกร อ, อย่างนี้ถือว่าบาปไหมครับเราก็มีส่วนที่ได้รับผลประโยชน์จากการ ที่ค่ามันก็มันก็มีส่วนร่วมด้วยอาจจะไม่ได้โดยตรงเช่นเราก็ไม่ได้เป็นคนสั่งเราไม่ได้ทำเองถ้าจะถือหลักว่าทำเองก็ดีสั่งให้ก็ททำก็ดีงี้ถ้าเราไม่ได้สั่งเราไม่ได้ทำางี้มันก็ไม่บาปแต่ว่าถามว่าเป็น อ, อสามาชีพหรือไม่มันก็ไม่เป็นเพราะมันไปทำให้ชีวิตของผู้อื่น ต้องตายไปจากการทำอาชีพอย่างนี้เช่นการค้าสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายถึงแม้เราไม่ได้เป็นคนฆ่าเองเส่แล้วเราเลี้ยงปเป็ดเลี้ยงไก่เสร็จแล้วก็มีคนมาซื้อไปเขาจะเอาไปทำอะไรเราก็ไม่รู้บางทีเขาก็เอาไปเลี้ยงต่อบางทีเขาก็เอาไปฆ่ า, าไปขายต่อการกระทาอาพอิบแบงนี้ท่านก็ว่าไม่ควรที่จะกระทาแต่มันไม่บาปมันเป็นวิชาธมันไม่เป็นสั ม, มาชีพ เพราะมันไปส่งเสริมการทำให้ชีวิตของผู้อื่นต้องต้องเดือดร้อนจากการทำอาชีพของเรา <c oughs> แต่ไม่บาปยังไม่ถึงกับขั้นปนานอาติบาตเราไม่ได้ฆ่าไม่ได้สั่งให้เขาฆ่าแต่เราทำให้ให้เขามีโอกาสได้ฆ่า <c oughs> เขามาซื้อจากเราแล้วก็ก็ไปฆ่าอีกทีนึ่ง เราก็ได้ประโยชน์ตรงนั้นไปฉันจะว่าบาปนั้นไม่บาปแต่จะว่าเป็นสัมมาชีพหรือไม่ก็ไม่เป็นนับแบบนับแปลกก็เลยพ่องไปหมดเลยบบก็ไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์นแบบับแปลกคือถ้าเราหลีกเลี่ยงได้เราก็หลีกเลี่ยงพอเราให่เราคิดถึงโหัวอกของสิ่งที่มีชีวิตอว่าเขาก็ไม่อยากจะถูกอขายไปเพื่อถูกค่า เราถ้าเราเป็นสิ่งนั้นเราก็อยากจะอยู่อย่างมีอความปลอดภัยอยู่ไปอย่างสบายแต่ถ้าเราเป็นสินค้านี่เราก็ชีวิตของเราก็สั้นนะพอเลี้ยงมาเราพอเราโ ต, โตัวกเขาก็เอาไปฆ่าถ้าเกิดก็มีการทำไมนี่ก็มีการค่ามนุษย์กัน แต่ก็ไม่ได้อามนุษย์ไปค่าเพียงแต่เขาเอาไปทําผิดประเพณีออันนี้ก็ไปทําสร้างความทุกข์ให้แก่บุคคลที่ถูกซื้อขายหรือสมัยก่อนก็มีการค่าทาสกันก็เอามนุษย์เนี่ยค่ามนุษย์เนี่ยเอามนุษย์นี้ค่าเหมือนกับเป็นวัวเป็นควายเอาไปเพื่อที่จะเอาไปใช้งานการต่างๆเราคิดถึงถ้าเราต้องเป็นทาสบ้างเราจะรู้สึกอย่างไรให้เราคิดอย่างนัน เราเราไม่อยากเป็นอย่างนั้นเราก็อย่าทำอย่างนั้นกับผู้อื่นเพราะถ้าเราทำกับผู้อื่นอย่างนั้นต่อไปไปลายภางหน้าเราอาจจะกลับมาเป็นอย่างนั้นก็ได้ถูกผู้อื่นก็ทำกับเราก็ได้ <c oughs> คือการกระทาเหล่านี้ถือว่าขาดความเมตตาไม่ได้คิดถึงประโยชน์สุขของผู้อื่นคิดแต่ประโยชน์สุขของตน ผู้อื่นจะเดือดล้อนจากการที่ตนเองได้ประโยชน์ได้ความสุขนี้ไม่สนใจอันนี้พระอาจารึงสอนว่าให้มีความเมตตาให้มีความเมตตาก็อย่าไปเบียดเบียนผู้อื่นการค่าชีวิตการค่าสิ่งที่ไปทําลายชีวิตนี่ถือว่าเป็นการส่งเสริมการเบียดเบียนผู้อื่นเช่นค่าอาวุธอย่างนี้ค้า สิ่งที่เอามาใช้กับการดักสัตว์ฆ่าสัตว์ต่างๆอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ไม่ควรค่าหรือฆ า, าสารพิษต่างๆที่เอามาทำลายชีวิตหรือค้าอาวุธหรือค้าสุรายาเมาอันนี้ก็ทำให้ผู้เสพสุรายาเมานีา้ไม่มีสติแล้วก็จะไปทำร้ า, ายผู้อื่นได้ ทำเป็นอันตรายต่อชีวิตของผู้อื่นได้เช่นการดื่มสุราแล้วขับรถเมาขับรถก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุทาให้ผู้อื่นต้องเสียชีวิตหรือ พ, พิการไปได้อันนี้ถ้าไม่มีการดื่มสุราไม่มีการขายสุราอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับรถขณะที่มึนเมามันก็จะไม่มี การดื่มสุราแล้วก็มีการทะเลาะเบาแวงมีการทุบตีมีการทำร้ายกันบางทีก็คนที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยจะเป็นผู้ที่จะต้องรับผลสามีเดื่มสุรามาเอามากลับมาก็อาละวาดอย่างนี้ถ้าไม่มีการดื่มไม่มีการขายสุรามันก็จะไม่มีเรื่องราวแบบนี้ตามมา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 ถ้าเราหลีกเลี่ยงได้เราก็ควรจะหลีกเลี่ยงถ้ายังหลีกเลี่ยงไม่ได้มันก็แล้วแต่เราจะต้องตัดสินใจว่าเราจะรักษาชีวิตของตนไว้้วยจะยอมทำทาทำรายชีวิตของผู้อื่นเพื่อให้ตนเองอยู่รอดถ้าเรามีคุณธรรมสูงเราเรายอมเสียชีวิตดีกว่าที่จะไปทำรายชีวิตของผู้อื่นใจของเราก็จะสูง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 คุณธรรมที่สูงมีจิตใจที่สูงขึ้นเราก็ต้องยึดหลักศีลธรรมที่พระเจ้าทรงสั่งสอนเป็นรักษาศีลห้าละเว้นจากวิจฉาชีพต่างๆอาชีพที่ไม่เป็นสัมมาชีพก็อย่าไปทำมันน้ำยาอนเนกประสงค์ในปัจจุบันค่ะ ขึ้นแค่จากการหมักเป็นธรรมชาติจะเป็นจินรีที่ดีค่ะธราชาติกการซักล้างทคามสะอาดับห้องนาะะไ ด, ด้และจนทียที่ดกายไป า, าดนะ้ก็อย่างที่พูดนะว่าจินรีมันมีวิญญาณหรือเปล่ามมไม่มี่อ่าเป็นแบคทีเีใ่ีก็ไม่มีมใครมาพิสูจน์ได้ว่ามีหรือไม่มี เน้นถ้าไม่รู้ก็ทําเป็นไม่รู้ต่อฉันเป็นยิ้มใช่ไหมใส่อะไรน้องแบบงก่อนเกิดขึ้นจะรู้ไปรู้มากมันก็คือามมันจะเกินโดยถ้าสงสัยทําไปนี่ก็บาปแล้วก็ผิดแล้ว อาระถ้าเรามีท you mm hmm. like e ี่ด uh, um, mm ินแล้วให้เขาเช่าแล้วคนเช่าก็ไปทำบ่อปลา่างน้ค่ะเราจ้าของที่ดินมีเสียงิ์เกิดตอนที่เขาเช่าเขาบอกเราหรือเปล่าถ้าเขาไม่ได้บอกเราเราไม่รู้นี่ก็ไปทํำนี่ก็เป็นเรื่องของเขา ชอบหรือเปล่าเนี่ยเราดูเลยชอบหรือเปล่าเชี่ยแบบไม่เป็นไรเชี่ยแบบหลายคนขอเมื่อวางนีบางทีมันก็ลาบากเพราะบางทีเราเช่าแล้วเขาไปทำน้านอาหารแล้วเขาก็เอาปลาไปอาคาร หรือของบางอย่างถ้าเราไม่มีเจตานาโดยโดยโดยตรงนี่แล้วมันเกิดขึ้นเพราะการกระทำของคนอื่นอันนี้เราก็อยู่ที่จิตสาำนึกของเราก็แล้กันถ้าเราอยากจะบริสุดผุดผ่องก็ยกให้เขาไปเลยไม่ต้องเอาอะไรแล <laughs> อเลิกสัญญาให้เขาไป ถึงบอกว่าถ้าอยากจะรักษาสีให้บริสุทธิ์ก็ไปบวชเถด่อว่าถ้ายังเป็นคารวะอยู่เนี่ยมันก็มันก็ต้องมันยากต่อการที่จะรักษาสีหน้าสะอาดบริสุทธิ์ได้เยนอยาเอาผ้ามาเป็นผู้ตัดสินเรื่องนี้นเขกเป็นเารอลังตีเขาบอกเป็นรื่ลังตี ถ้าอยากจะรักษาศีลได้สะอาดโดยส่วนกามาบวชเลย <laughs> ถ้องยังรัก <laughs> น้งพี่เสียดายน้องอยู่ก็ต้องอยู่กับมันไปอย่างนี้แห <laughs> ละเลาจะ <laughs> บอกท่านจำไม่มีที่ให้เช่า <laughs> อะไรเงียพอแล้วยังหมดปัญหาแล้วเนอะ่ย <c oughs> ไม่โอกาสหน้าก <c oughs> อยมา